สทุกการนิบาตหนึ่งปฐมมาวัคหมวดที่หนึ่งหนึ่งอุตระเถระคาถาภาษิตของพระอุตรเถระทราบว่าท่านพระอุตระเถระได้กล่าวสองคาถาไว้ดังนี้ว่าพบที่เที่ยงสักพบก็ไม่มีหรือแม้สังขารที่เที่ยงก็ไม่มีขันเหล่านั้นย่อมเวียนเกิดและเวียนดับไป เรารู้โทษอย่างนี้แล้วจึงไม่มีความต้องการพบสลัดออกจากการทุกอย่างได้ถึงความสิ้นอาสวะแล้วสองปินโทละพารทวาชะเทระคถ า, าภาษิตของพระปินโทละพารทวาชะเทระทราบว่าท่านพระปินโทละพารทวาชะเทระไดกล่าวสองคถาไว้ดังนี้ว่าชีวิตของเรานี้หาเป็นไปโดยไม่สมควรไม่ อาหารทำใจให้สงบไม่ได้แต่เราเห็นว่าร่างกายดำรงอยู่ได้เพราะอาหารจึงได้เที่ยวแสวงหาอาหารโดยทางที่ชอบด้วยว่านักปราดมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเด้วยวกล่าวการไหว้และการบูชาในตระกูลทั้งหลายว่าเป็นเปลือกตมเป็นลูกศรอันละเอียดซึ่งถอนขึ้นได้ยากเป็นสักการะที่คนชั่วละได้ยากสา วัลยะเทระคาถาภาษิตของพระวัลยะเทระพระวัลยะเทระเมื่อจะพยากรณ์พระอรหันต์จึงได้กล่าวสองคาถาไว้ดังนี้ว่าลิงเข้าไปในกระท่อมมีห้าประตูพยายามเวียนเข้าออกทางประตูเนืองๆจงหยุดนิ่งอย่า ว, วิ่งไปนะเจ้าลิงเพราะเจ้าอาศัยเรือนคืออัตภาพไม่ได้เหมือนดังการก่อนเจ้าถูกเราข่มไว้ด้วยปัญญาแล้ว จะไปไกลไม่ได้เลย 4. คังคาติริยเถระคาถาภาษิตของพระคังคาติริยเถระพระคังคาติริยเถระเมื่อจะพยากรพระอรหันต์จึงได้กล่าวสองคาถาไว้ดังนี้ว่าเราสร้างกระท่อมด้วยใบตานสามใบอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาบาทของเราเหมือนหม้อสำหรับตักน้านมรสพ และจีวรของเราเป็นผ้าบางสุกุลในระหว่าง 2, สองพรรษาเราพูดเพียงคำเดียวระหว่างพรรษาที่สามเราทำลายกองความมืดได้แล้วหอาชินะเทระคาถาภาษิตของพระอาชินะเทระพระอาชินะเทระเมื่อจะให้ภิกษุทั้งหลายสังเวยจึงได้กล่าวสองคาถาไว้ดังนี้ว่า ถึงแม้ว่าบุคคลจะมีวิชาสามและมั จ, จุราชได้ไม่มีอาสวะคนพานทั้งหลายที่ไม่มีความรู้ย่อมดูหมิ่นบุคคลนั้นว่าเป็นผู้ไม่มีชื่อเสียงส่วนบุคคลใดในโลกนี้เป็นผู้มักได้ข้าวและน้ำถึงแม้ว่าบุคคลนั้นจะเป็นคนชั่วช้าเลวซามก็เป็นที่สักระนับถือของพวกเขา6เมลชินเทระคาถา ภาษิตของพระเมลชินะเทระพระเมลชินะเทระเมื่อจะบันเลอสีหนาฏจึงได้กล่าวสองคาถาไว้ดังนี้ว่าเมื่อใดเราได้ฟังธรรมของพระาศาสดาผู้ทรงแสดงอยู่เมื่อนั้นเรารู้ธรรมทั้งปวงจึงไม่รู้สึกสงสัยในพระาศาสดาที่ใครๆชนะไม่ได้ซึ่งเป็นผู้นหมูแกล้ากล่าเป็นอันมากประเสริฐเลิศ ก, กว่าสารถีทั้งหลาย เราไม่มีความสงสัยในมรรหรือข้อปฏิบัติ 7. ราทะเทระคาถาภาสิตของพระราทะเทระพระราทะเทระเมื่อจะชมเชยภาวนาจึงได้กล่าวสองคาถาไว้ดังนี้ว่าเรือนที่มุงไม่ดีฝนย่อมร่วงดได้ชั้นใดจิตที่ไม่ได้อบรมราคาย่อมร่วรลดได้ฉันนั้นเรือนที่มุงดีแล้ว ฝนย่อมร่วรอดไม่ได้ชั้นใดจิต ท, ที่อบรมดีแล้วราคะก็ร่วรอดไม่ได้ชั้นนั้น 8. สุราทะเทระคาถาภาษิตของพระสุราทะเทระพระสุราทะเทระเมื่อจะพยากรพระอรหันต์จึงได้กล่าวสองคาถาไว้ดังนี้ว่าด้วยว่าชาติของเราสิ้นไปแล้วคําสั่งสอนของพระชินเจ้าเราอยู่จบแล้ว ทิฏฐิและวิชาคือข่ายเราละได้แล้วตัณหานำไปสู่พบเราก็ถอนได้แล้วเราออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นเราได้บรรลุแล้วความสิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งปวงเราก็ได้บรรลุแล้ว 9. โคตมะเทระคาถาภาษิตของพระโคตมะเทระพระโคตมะเทระเมื่อจะพยากรณ์พระอรหัต จึงได้กล่าวสองคถ า, าไว้ดังนี้ว่ามูนีทั้งหลายผู้ไม่พัวพันในเหล่าสตรีทั้งหลายย่อมนอนเป็นสุขเหล่าสตรีที่หาสัจจะได้ยากแสนยากบุรุษต้องคอยระแวดระวังตลอดการทุกเมื่อกามเราได้ประพฤติเพื่อฆ่าเจ้าได้แล้วบัดนี้เราจึงไม่เป็นหนี้เจ้าเดี๋ยวนี้เราบรรลุนิพพานที่บุคคลไปแล้วไม่เศร้าโศกสิบ วัสภเทระคาถาภาษิตของพระวัสพเทระพระวัสพเทระเมื่อจติตเตียนความปรารถนาเลวซามจึงได้กล่าวสองคาถาไว้ดังนี้ว่าบุคคลผู้ลวงโลกย่อมฆ่าตนก่อนภายหลังจึงฆ่าผู้อื่นบุคคลผู้ลวงโลกนั้นย่อมฆ่าตนได้ง่ายเหมือนในพรานนกหาอุบายฆ่านกด้วยนกต่อท่านสุชามบดี บุคคลผู้มีวันละภายนอกไม่ชื่อว่าเป็นพราหมณ์เพราะพราหมณ์ต้องมีวันณะภายในผู้ใดมีกรรมชั่วผู้นั้นแหลเป็นคนชั้นต่ำปฐมมวักจบรวมเรื่องพระเทระที่มีในวักนี้คือ 1. พระอุตระเถระ 2. พระปิณโทละพารัวาชเถระ 3. พระวันลิยะเถระส พระคังคาติริยะเทระห้าพระอาชินะเทระหกพระเมลชินะเทระ 7. พระราธาเทระแปดพระสุราธาเทระเก้าพระโคตมะเทระสิบพระวสภเทระล้วนมีฤทธิ์มาก ทุติยวรกหมวดที่สองหมหาจุนทะเทระคาถาภาษิตของพระมหาจุนทะเถระพระมหาจุนทะเทระเมื่อจะสรรเสริญอุปนิสัยที่หนักแน่นและการอยู่อย่างสงัดจึงได้กล่าวสองคาถาไว้ดังนี้ว่าการฟังด้วยดีเป็นเหตุให้การศึกษาเจริญการศึกษาเป็นเหตุให้ปัญญาเจริญบุคคลรู้ประโยชน์ได้ก็เพราะปัญญา ประโยชน์ที่บุคคลรู้แล้วนำความสุขมาให้ภิกษุพึงใช้เสนาสนะที่สงัดพึงประพฤติธรรมที่เป็นเหตุให้หลุดพ้นจากสังโยชน์ถ้ายังไม่ประสบความยินดีในเสนาสนะที่สงัดและโมกะธรรมนั้นก็ควรเป็นผู้มีสติรักษาตนอยู่ในหมู่ 2. โชติธาสเถราคาถาภาสิของพระโชติทาสเถระ พระโชติธาสะเทระเมื่อจะสอนพวกญาติผู้ถือความบริสุทธิ์ภายนอกในละทิตต่างๆจึงได้กล่าวสองคาถาไว้ดังนี้ว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งผู้มีความพยายามร้ายกาจเบียดเบียนมนุษย์ทั้งหลายด้วยการกระทาที่เจือไปด้วยความผลุนพันก็ดีด้วยการทำที่มีความประสงค์ต่างๆกันก็ดีแม้ชนเหล่านั้นก็ย่อมเกลียตนลงในเหตุนั้นเหมือนกันเพราะกรรมย่อมไม่สูญหาย คนทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามเขาย่อมเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นที่ตนทำไว้โดยแท้ 3. เหระ ญ, ญิกานิเทระคถาภาษิตของพระเฮระ ญ, ญิกานิเถระพระเหระ ญ, ญิกานิเถระเมื่อจะตักเตือนน้องชายจึงได้กล่าวสองคถาไว้ดังนี้ว่าวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตย่อมดับไป อายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นไปเหมือนน้ำในแม่น้ำน้อยสิ้นไปเมื่อเป็นเช่นนั้นคนพาลถึงทำบาปกรรมอยู่ก็ไม่รู้สึกตัวภายหลังเขาได้รับทุกข์แสนสาหัสเพราะบาปกรรมนั้นมีผลเลวราม 4. โสมิตะเทระคาถาภาษิตของพระโสมิตะเทระพระโสมิตะเทระเมื่อจะคุกคามพระวิมลเทระด้วยโอวาท จึงได้กล่าวสองคถาไว้ดังนี้ว่าบุคคลเกาะท่อนไม้เล็กๆย่อมจมลงในมหาสมุทรชั้นใดบุคคลแม้มีความเป็นอยู่ดีอาศัยคนเกียดคร้านก็จมลงในสังสารวัตได้ชั้นนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลพึงเว้นคนเกียดคร้านมีความเพียรย่อหย่อนเสียบุคคลพึงอยู่ร่วมกับเหล่าบัณฑิตผู้สงัดเป็นอริยะผู้มีใจเด็ดเดี่ยวเข้าฌานอยู่ ปราลบความเพียรเป็นนิจ 5. ้สัพพมิตเตระคาถาภาษิตของพระสัพพมิตะเตระพระสัพพมิตเตระเรียกกล่าวสองคาถาไว้ดังนี้ว่าคนเขี่ยวข้องกับคนคนยินดีกับคนคนถูกคนเบียดเบียนและคนเบียดเบียนคนจะต้องการอะไรด้วยคนสําหรับเขาหรือสิ่งที่คนให้เกิด จงและคนที่เบียดเบียนคนเป็นอันมากไปเสีย 6. มหาการะเทระคาถาภาษิตของพระมหากาลเทระพระมหาการะเทระเมื่อจะกล่าวสอนตนจึงเลือกกล่าวสองคาถาไว้ดังนี้ว่านางกาลีมีร่างกายใหญ่ดำเหมือนกาหักขาซ้ายขาขวาแขนซ้ายแขนขวาและทุกศีรษะซากศพดังทุกหม้อ น, นมเปรี้ยว นั่งจัดให้เรียบร้อยอยู่ผู้ใดไม่รู้แจ้งย่อมก่ออุปธทิกิเลสผู้นั้นเป็นคนเขาย่อมประสบทุกอยู่ร่ำไปเพราะฉะนั้นผู้รู้แจ้งไม่ควรก่ออุปธทิกิเลสเราอย่าถูกทุบศีรษะนอนอยู่อย่างนี้อีกต่อไป 7. ติสเถระคาถาภาษิทธิของพระติสเถระพระติสเถระ เมื่อจะประกาศโทษในลาบสการะและความที่ตนไม่ติดข้องอยู่ในลาบสการะนั้นจึงได้กล่าวสองคาถาไว้ดังนี้ว่าภิกษุโล้นครองผ้าสังฆาติมักได้ข้าวน้ำผ้าและที่นอนชื่อว่าได้ค่าศึกไว้มากภิกษุรู้โทษในลาบสการะว่าเป็นภัยใหญ่อย่างนี้แล้วควรเป็นผู้มีลาบน้อยมีจิตไม่ชุ่มด้วยตัณหามีสติเว้นขาด กิมพิละเถระคาถาภาษิตของพระกิมพิละเถระท่านพระกิมพิละเถระเมื่อจะแสดงความอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีจึงได้กล่าวสองคาถาไว้ดังนี้ว่าพระสกยบุตรทั้งหลายซึ่งเป็นสหายกันในป่าปาจีนวังสะไทยวันพากันละทิ้งโคะไม่น้อยมายินดีในการเที่ยวแสวงหาบินทบาทปราลบความเพียมีใจเด็ดเดียว บากบัน่นมุ่งมั่นเป็นนิดและความยินดีที่เป็นโลกิยะมายินดีอยู่ด้วยความยินดีในธรรมเก้านันทเทระคาถาภาษิของพระนันทเทระพระนันทเทระเกิดความสมนัตจึงได้กล่าวสองคาถาไว้ดังนี้ว่าเรามัวประกอบการประดับตกแต่งมีจิตฟุ้งซ่านแล้วกดแกว่วงถูกการมราคะรบกวน เพราะไม่ได้ทำโยนิโสมนศิการเราปฏิบัติโดยอุบายที่ชอบอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันพระอาทิตย์ผู้ฉลาดในอุบายได้ทรงสั่งสอนแนะนำแล้วจึงถอนจิตในพพได้แล้ว 10. สิริมะเทระคาถ า, าพาสิของพระสิริมะเทระพระสิริมะเทระเมื่อจะติเตียนความเป็นปุตุชนจึงเดียกล่าวสองคาถาไว้ดังนี้ว่า ถ้าตนมีจิตไม่ตั้งมั่นแม้ชนเหล่าอื่นจะสรรเสริญชนเหล่าอื่นก็สรรเสริญเปล่าเพราะตนมีจิตไม่ตั้งมั่นถ้าตนมีจิตตั้งมั่นดีแล้วแม้ชนเหล่าอื่นจะติเตียนชนเหล่าอื่นก็ติเตียนเปล่าเพราะตนมีจิตตั้งมั่นดีแล้วทุติยวักจบรวมเรื่องพระเทระที่มีเนวักนี้คือหนึ่งพระมหาจุนทะเทระ สพระโชติทาสเถระ 3. พระเหรัญยิกานิเถระ 4. พระสมมิตะเถระ 5. พระสัพพมิตะเถระ 6. พระมหากาลเถระ 7. พระติสะเถระ 8. พระคิมพิลเถระ 9. พระนันทเถระ 10. พระสิริมะเถระ 3. ตาติยวัคหมวดที่สาอุตระเทระคาถาภาษิตของพระอุตระเทระพระอุตระเทระเมื่อพยากรณ์พระอรหันต์จึงได้กล่าวสองคาถาไว้ดังนี้ว่าเรากำหนดรู้ขันธ์ทั้งหลายแล้วถอนตันหาขึ้นได้ด้วยดีถึงโพชงเราเจริญแล้วเราได้ถึงความสิ้นอาสวะแล้วครั้นกำหนดรู้ขันธ์ทั้งหลายแล้ว ถอนตัณหาดุขายได้เจริญโพ่ชงแล้วจากเป็นผู้ไม่มีอาสวะนิพพาน 2. พัตชิเทระคาถาภาษีของพระพัตชิเทระพระพัตชิเทระสรรเสริญปราสาททองที่ตนเคยครอบครองจึงได้กล่าวสองคาถาไว้ดังนี้ว่าพระราชาทรงพระนามว่าปนาทะมีปราสาททองกว้างและสูงประมาณ16หโย ชนทั้งหลายกล่าวกันว่าสูงประมาณพันยอดมีชั้นพันชั้นร้อยยอดสพร่งไปด้วยธงพราวไปด้วยแก้วสีเขียวในปราสาทนั้นมีนักฟ้อน 6,000 คนแบ่งเป็นเจ็ดกลุ่มพากันฟ้อนรำอยู่สามโสพิตเถระคาถาภาษิตของพระโสพิตเถระทราบว่าท่านพระโสพิตเถระ เมื่อเปล่งอุทานจึงได้กล่าวสงราถาไว้ดังนี้ว่าเราเป็นภิกษุมีสติมีปัญญาบําเพ็ญเพียรอย่างแรงกล้าเราลึกชาติก่อนได้500อกับเพียงคืนเดียวเราเจริญสติปัฏฐานสโพชฌงเจ็มรรค8เราลึกชาติก่อนได้500ร้อกับเพียงคืนเดียว 4. วัวลิยะเทระคาถาพระสิทธิของพระวลยะเทระ พระวัลยะเทระเมื่อจะถามพระเวนุทัตตะเทระจึงได้กล่าวสองคาถาไว้ดังนี้ว่ากิจใ ด, ดอันบุคคลผู้มีความเพียรมั่นมุ่งที่จะตัสรู้พึงทากิจนั้นเราจะทำไม่ให้พลาดเชิญท่านดูความเพียรความบากบั่นของเราเถิดอันหนึ่งขอท่านจงบอกหนทางอันอยังลงสู่อมตะมหานิพพานซึ่งเป็นทางตรงให้เรา เราจะรู้ด้วยญาณดูกระแสแม่น้ำคงคาไหลไปสู่สาคร 5. วีตะโสกะเทระคาถาภาษิตของพระวีตะโสกเทระพระวีตะโสกะเทระเมื่อจะพยากรพระอรหันต์จึงได้กล่าวสองคาถาไว้ดังนี้ว่าช่างกระระบกเข้ามาหาเราด้วยคิดว่าจะตัดผมให้เรา เราจึงรับเอากระจกจากช่างกระบบกนั้นมาส่องดูร่างกายร่างกายได้ปรากฏเป็นสภาพว่างเปล่าความบอดความมืดได้สิ้นไปกิเลสดุดผ้าขี้ริ้วทั้งปวงเราตัดขาดด้วยดีแล้วบัดนี้ไม่มีการเกิดอีก 6. ปุณณมาสะเทระคาถ า, าภาสิตของพระปุณณมาสะเทระพระปุณณมาสะเทระ เมื่อจะแสดงธรรมแก่พัญยาเก่าจึงได้กล่าวสองคาถาไว้ดังนี้ว่าเราละนิวรห้าเพื่อบรรลุนิพพานซึ่งเป็นแดนกเกษมจากโยคะแล้วถือเอาแว่นสองธรรมือยานัศสนะสำหรับตนพิจารณาดูร่างกายนี้ทั่วทั้งภายในภายนอกร่างกายของเราได้ปรากฏเป็นสภาพว่างเปล่าทั้งภายในและภายนอก 7. นันทกะเทระคาถาภาสิของพระนันทกะเทระพระนันทกะเทระเมื่อจะพยากรพระอรหันต์จึงได้กล่าวสงฆาถาไว้ดังนี้ว่าโคอาชาในที่ดีพลาดลมแล้วลุกขึ้นยืนใหม่ได้ได้ความสังเวชอย่างยิ่งแล้วไม่ท้อถอยนำภาระต่อไปได้ฉันใดท่านทั้งหลายจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า เป็นอาชาในสมบูรณ์ด้วยทัศนะเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุตรซึ่งเกิดแต่พระอุระของพระพุทธเจ้าฉันนั้น 8. ภาระตะเทระคาถาภาษิตของพระภาระตะเทระพระภาระตะเทระเมื่อจะบอกมิฉาวิตกที่เกิดแก่พระนันทะเทระจึงเล่ากล่าวสองคถาไว้ดังนี้ว่าเชิญมาเถิดนันทะ เราไปยังสำนักพระอุปชาจากบรรเลสศีหนนาเฉพาะพระพักพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพระผู้มีพระภาคผู้เป็นมุนีทรงเอนดูให้พวกเราบวชเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นคือความสิ้นสังโยต์ทั้งปวงพวกเราก็ได้บรรลุแล้ว 9. าภารัตวาชะเทระคาถาภาสิ์ของพระภารัวาชะเถระพระภารัตวาชะเทระ เมื่อจะบอกปริยัติธรรมและปฏิบัติธรรมแก่บุตรจึงได้กล่าวสองคาถาไว้ดังนี้ว่าที่รชนผู้มีปัญญาชนะมารพร้อมทั้งเสนามารชื่อว่าชนะสงครามย่อมบรรเลยเหมือนราษฎร์สีบรนเลยที่ซอมเขาพระศาสดาเราเข้าถึงแล้วพระธรรมเราก็บูชาและพระสงฆ์เราก็นับถือแล้วและเพราะได้เห็นลูกผู้ไม่มีอาสวักิเลศ พ่อก็ปราบปลื้มดีใจ10บกันหะทิ น, นะเทระคาถาภาษิตของพระกันหะทิ น, นะเทระพระกันหะทิ น, นะเทระเมื่อจะพยากรพระอรหันต์จึงเรียกล่าวสองคาถาไว้ดังนี้ว่าสัตว์ปุรุษทั้งหลายเราเข้าไปหาแล้วธรรมทั้งหลายเราฟังแล้วหนึ่งนิดครั้นฟังธรรมแล้วจะดําเนินไปสู่ทางอันอย่างลงสู่อมตะธรรม เมื่อเราเป็นผู้กำจัดความกำหนัดยินดีในภพได้แล้วความกำหนัดยินดีในภพย่อมไม่มีแก่เราอีกไม่ได้มีแล้วจากไม่มีและในบัดนี้ก็ไม่มีแก่เราตติยะวัชจบรวมเรื่องพระเทระที่มีในวัชนี้คือ 1. พระอุตรเถระ 2. พระพัตชิเถระ 3. พระโสพิตเถระ 4. พระวัลลิยะเทระ 5. พระวีตโสกะเทระ 6. พระปุณณมาสะเทระ 7. พระนันทกะเทระ 8. พระภาระตะเทระ 9. พระภารทวาชเทระ 10. พระกันหะทินะเทระ จะตุทวักหมวดที่สี่หนึ่งมิขสิระเทระคาถาภาษีของพระมิขสิระเทระพระมิขสิระเทระเมื่อจัดพยากรณ์พระอระหันต์จึงได้กล่าวสองคาถาไว้ดังนี้ว่าจำเดิมแต่การที่เราได้โบสในพระาศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อจะหลุดพ้นได้บรรลุล่วงเสียซึ่งกามธาตุต่อแต่นั้น เมื่อเราเพ่งธรรมของพระพุทธเจ้าผู้เป็นดังพรมจิตจึงหลุดพ้นและมารู้ชัดว่าความหลุดพ้นของเราไม่กำเริบเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งปวง 2. อสิวกะเทระคาถาภาษิของพระศิวกะเทระพระศิวกะเทระเมื่อจะพยากรพระอรหันต์จึงได้กล่าวสองคถาไว้ดังนี้ว่า เรือนคืออัตภาพที่เกิดในพบนั้นๆบ่อยๆเป็นของไม่เที่ยงเราัวสแสวงหาในช่างคือตันหาผู้สร้างเรือนจึงได้ท่องเที่ยวไปสิ่งการมีประมาณเท่านี้การเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์แน่ในช่างผู้สร้างเรือนบัดนี้เราพบท่านแล้วท่านจะสร้างเรือนอีกไม่ได้กรอนเรือนคือคฤเลส ข, ของท่านเราหักสิ้นแล้ว และช่อฟ้าคืออวิชาแห่งเรือนที่ท่านสร้างเราก็ทำลายแล้วจิตของเราเราทำให้สิ้นสุดจะดับในภพนี้เอง 3. อุปวานเถระคาถาภาษิตของพระอุปวานเถระพระอุปวานเถระเมื่อจะบอกประโยชน์แก่พราหมณ์จึงได้กล่าวสองคาถาไว้ดังนี้ว่าท่านพราหมณ์พระสุคตเป็นพระอรหันตในโลกเป็นมุนี ถูกลมเบียดเบียนแล้วถ้ามีน้ำร้อนขอท่านจงถวายพระมุนีเถิดพระมุนีพระองค์นั้นเป็นผู้อนบุคคลผู้ควรบูชาบูชาแล้วผู้ควรสักระสักระแล้วและผู้ควรนอบน้อมนอบน้อมแล้วเราปรารถนาจะนำน้ำร้อนไปถวายพระองค์4อิสิทิ น, นะเทระคาถาภาษิตของเทวดาเตือนพระอิสิทิ น, นะเทระ เทวดาผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลเมื่อจะเตือนพระอิสิทินะเทระจึงได้กล่าวสงกงคาถาไว้ดังนี้ว่าเราเทวดาเห็นอุบาสกทั้งหลายผู้ทรงธรรมกล่าวอยู่ว่าการทั้งหลายไม่เที่ยงแต่อุบาสกเหล่านั้นเป็นผู้กำหนัดอย่างแรงกล้าห่วงใ ย, ยในแก้วมณีต่างหูบุตริดาและพันยาเพราะเหตุที่อุบาสกเหล่านั้นไม่รู้ธรรมในพระศาสนานี้เป็นแน่ ถึงอย่างนั้นก็ยังกล่าวว่าการทั้งหลายไม่เที่ยงแต่พวกเขาไม่มีกำลังปัญญาที่จะตัดราคาได้ฉะนั้นพวกเขาจึงติดบุตรธิดาพัญญาและทรัพย์พระอิสิทินณเทระฟังคำนั้นแล้วก็เกิดความสังเวชไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหัสต์้สัมภูลกัจานเทระคาถา พาสิทิ์ของพระสามพุ l a กัจจานเถระพระสามพ ula กัจจานเถระเมื่อจะพยากรพระอรหันต์จึงได้กล่าวสองคาถาไว้ดังนี้ว่าฝนตกไปเถิดฟ้าร้องคลืนคล่นไปเถิดและเราคนเดียวอยู่ในถ้ำที่น่ากลัวถึงเราคนเดียวจะอยู่ในถ้ำที่น่ากลัวก็ไม่มีความกลัวความสะดุ้งหวาเสียวหรือขนลุกขนพอง การที่เราคนเดียวอยู่ในถ้ำที่น่ากลัวก็ไม่มีความกลัวความสะดุ้งหวาดเสียวหรือขนลุกขนพองนี้เป็นธรรมดา 6. คิต ะ, ะเทระคาถาภาษิตของพระคิต ะ, ะเทระพระคิต ะ, ะเทระเมื่อจะข่มพวกภิกษุผู้อยู่ป่าจึงได้กล่าวสองคาถาไว้ดังนี้ว่าจิตของใครตั้งมั่นไม่วันไหวดังภูเขา ไม่กำหนัดในอารมณ์อัญชวนให้กำหนัดไม่ขัดเคืองในอารมณ์อัญชวนให้ขัดเคืองผู้ใดอบรมจิตได้อย่างนี้ทุกจะมาถึงผู้นั้นแต่ที่ไหนจิตของเราตั้งมั่นไม่วันไหวดังผูเขาไม่กำหนัดในอารมณ์อัญชวนให้กำหนัดไม่ขัดเคืองในอารมณ์อัญชวนให้ขัดเคืองเราอบรมจิตได้แล้วอย่างนี้ทุกจะมาถึงเราแต่ที่ไหนเจ โสณปติริยปุตตเถระคาถาภาษิของพระโสณปติริยปุตตเถระพระผู้มีพระภาคเมื่อจะตรัสสอนพระโสณปติริยบุตรเถระจึงได้ตรัสพระคาถาว่าราตรีที่ประกอบด้วยเลิก ม, มาลินีมิใช่เป็นราตรีที่จะหลับก่อนราตรีเช่นนี้เป็นราตรีที่ผู้รู้แจ้งปรารถนาแล้วเพื่อประกอบความเพียรโดยแท้ พระโสนะโปติริยะเทระได้ฟังพระดำรัดนั้นก็สลดใจกลับได้หิริโอตปะอธิษฐานอพโกาสิกังคาทุดงกระทำการเจริญวิปั ส, สนาได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าถ้าช้างพึงเหยียบเราผู้ตกจากคอช้างเราตายเสียในสงครามประเสริฐกว่าแพ้แล้วเป็นอยู่จะประเสริฐอะไร 8. นิสพะเทระคถา ภาษิตของพระนิสภะเถระพระนิสภะเถระเมื่อจะกล่าวสอนภิกษุสหายทั้งหลายจึงได้กล่าวสองคาถาไว้ดังนี้ว่าวินยูชนและเบนจากามคุณซึ่งน่ารักน่ารื่นรมย์ใจออกบวช ด, ด้วยศรัทธาพึงทําที่สุดทุกข์ได้เราไม่อยากตายไม่อยากเป็นอยู่แต่เรามีสติสัมปชัญญะอยู่เฉพาะหน้าคอยเวลาอันโคนก้าว อุสภพะระเถระคาถาภาษิตของพระอุสภพะระเถระพระอุสภพะระเถระเมื่อจะพยากรพระอรหันต์จึงได้กล่าวสองคาถาไว้ดังนี้ว่าเราฝันว่าได้ค่มจีวรสีใบมะม่วงอ่อนฉูเวงบ่านั่งบนคอช้างเข้าไปบินตาบาดยังหมู่บ้านลงจากคอช้างแล้วได้ความสลดใจครั้งนั้นเรานั้นมีความสว่างได้ความสลดใจ ถึงความสิ้นอาสวะแล้ว10กัปะตะกุระเทระคาถาพาิาีของพระกัปะตะกุระเทระพระผู้มีประภาคเมื่อจะตรัสสอนพระกัปะตะกุระเทระจึงได้ตรัสองคาถาไว้ดังนี้ว่ากัปะตะกุระภิกษุเกิดความวิตกผิดว่าผ้าขี้ริ้วผืนนี้เป็นของเรา เมื่อน้ำใสคืออมะตะธรรมมีอยู่เต็มเปี่ยมในหม้ออมะตะธรรมกลับมีใจปราศจากอมะตะธรรมคำสอนของเรานี้เป็นทางที่เราสอนไว้แล้วเพื่อสั่งสมฌานทั้งหลายกัปะตะเธออย่ามานั่งโงกง่วงอยู่เลยอย่าให้เราต้องสอนเธอเสียงดังณที่ใกล้หูเลยกัปะตะเธอนั่งโงกง่วงอยู่ในถ้ำกลางสงช่างไม่รู้จักประมาณเลย จะตุทวักจบรวมเรื่องพระเทระที่มีในวักนี้คือ 1. พระมิกขะสิระเทระสองพระสิวกะเทระสามพระอุปวานะเทระสี่พระอิสิทินะเทระห้าพระสามภูละกจานะเทระหกพระขิตากะเทระเจ็ด พระโสนโปติริยะบุเทระ 8. พระนิสภะเทระ 9. พระอุสภเทระ 10. พระกัปตะกุระเทระ 5. ปัญจมวัก หมวดที่ห 1. หนึ่งกุมารกัสปะเทระคาถาภาษีของพระกุมารกัสปะเทระพระกุมารกัสปะเทระเมื่อจะพยากรณ์พระอรหันต์จึงได้กล่าวสองคาถาไว้ดังนี้ว่าน่าอัศจรรย์หนอพระพุทธเจ้าพระธรรมและสัมปทาของพระาศาสดาของเราทั้งหลายอันเป็นที่จะทำาพระสาวกให้รู้แจ้งธรรมเช่นนั้นได้ บรรดาพระสาวกที่ยังรู้ถึงกายของตนได้ในอสงไข์กับนั้นพระกุมารกสปะนี้เป็นองค์สุดท้ายร่างกายนี้เป็นร่างกายสุดท้ายการเวียนว่ายตายเกิดเป็นวาระสุดท้ายบัดนี้ไม่มีการเกิดอีกสองธรรมปาละเถระคาถาภาษิตของพระธรรมปาละเทระพระธรรมปาละเทระ เมื่อจะแสดงธรรมโปรดพวกสามเณรจึงเดียกกล่าวสองปัญาไว้ดังนี้ว่าภิกษุใดแลยังหนุ่มแน่นประกอบความขนขวายในพระพุทธศาสนาผู้ตื่นอยู่ในเมื่อคนเหล่าอื่นหลับแล้วชื่อว่าไม่ไร้ผลเพราะฉะนั้นภิกษุผู้มีปัญญาระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงควรประกอบศรัทธาศีลความเลื่อมใสและการเห็นธรรมเนือง 3. พรหมมาลิเทระคาถาภาสิตของพระพรหมมาลิเทระพระพรหมมาลิเทระเมื่อจะยกย่องการประกอบความเพียรหนึ่งๆจึงได้กล่าวสองคาถาไว้ดังนี้ว่าอินทรีย์ของใครถึงความสงบเหมือนม้าที่นายสารถีฝึกดีแล้วแม้เทวดาทั้งหลายก็กระยิมชื่นชมต่อผู้นั้นซึ่งละมานะได้แล้วไม่มีอาสวะเป็นผู้คงที่ อินทรีของเราถึงความสงบเหมือนม้าตัวที่นายสารถีฝึกดีแล้วแม้เทวดาทั้งหลายก็กระยิมต่อเราซึ่งละมานะได้แล้วไม่มีอาสวะเป็นผู้คงที่ 4. โมคราชเถระคาถาพาสิทธของพระาศาสดาตร ถ, ถามพระโมคราชเถระพระาศาสดาตร ถ, ถามพระโมคราชเถระด้วยพระคาถาที่หนึ่งว่า โมขราชผู้มีผิวพรรณเศร้าหมองแต่มีจิตดีงามเธอเป็นภิกษุมีจิตตั้งมั่นเนืองนิดจะทำอย่างไรตลอดราตรีการที่หนาวเหน็บในฤดูเหมันพระโมขราชเถระเมื่อจะทูลต่อพระศาสดาจึงได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าข้าพระองค์ได้ฟังมาว่าชาวมคตเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าพระองค์พึงคลุมกายด้วยฟางแล้วนอน เหมือนกับภิกษุเหล่าอื่นผู้มีความเป็นอยู่สบาย 5. วิสาขปัญจาลีปุตตะเทระคาถาภาษิตของพระวิสาขปัญจาลีบุตรเทระพระวิสาขปัญจาลีบุตรเทระเมื่อจะบอกลักษณะของพระธรรมกถึกแก่ภิกษุทั้งหลายจึงได้กล่าวสองคาถาไว้ดังนี้ว่าพระธรรมกถึกประกอบด้วยองค์หเหล่านี้คือ 1. ไม่พึงยกตน 2. ไม่ข่มผู้อื่น 3. ไม่พึงมองดูด้วยความเยดยาม 4. ไม่พึงกระทบกระทั่งท่านผู้ถึงฝั่งนิพพาน 5. ไม่พึงกล่าวคุณความดีของตนในที่ชุมชนไม่ฟุ้งซ่านกล่าวแต่พอประมาณมีวัดดีงามพระธรรมกถึกนั้นมักเห็นเนื้อความอันสุ ข, ขุมและละเอียดยิ่งนักมีปัญญาเฉลียวฉลาดประพฤติอ่อนน้อมทอมตนอยู่เสมอ ปฏิบัติตามศีลของพระพุทธเจ้าเป็นอาจินพึงได้นิพพานไม่ยากเลย 6. จุลกะเทระคาถาภาษิตของพระจุลกะเทระพระจุลกะเทระเมื่อจะทำตนให้เกิดอุตสาหะในการเจริญภาวนาจึงได้กล่าวสองคาถาไว้ดังนี้ว่านกยูงทั้งหลายมีงอนงามขนหางงามสร้อยคอเขียวงามจะ ง, งอยปากงาม มีเสียงไพเราะทรงเสียงร้องอยู่อันหนึ่งแม้แผ่นดินใหญ่นี้มีหญ้าเขียวชอุ่มมีน้ำชุ่มชื่นท้องฟ้าก็มีเมฆสวยงามท่านมีสภาวะที่ควรแก่การงานจงเพ่งฌานที่พระโยคาวจรผู้มีใจดีเพ่งแล้วจงเป็นผู้มีความพยายามไม่หยุดยั้งในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยดีจงบรรลุนิพพานอันเป็นธรรมสูงสุด ขาวสะอาดผุดพองละเอียดเห็นได้แสนยากเป็นสภาพที่แน่นอนนั้นเถิด 7. อนุปะมะเถระคาถาภาสิตของพระอนุปะมะเถระพระอนุปะมะเถระกล่าวสอนตนเองด้วยสองคาถาไว้ดังนี้ว่าจิตที่มีความเพลิดเพลินถูกกรรมกิเลสยกขึ้นสู่ภพซึ่งเป็นเช่นกับลาวท่านเว้นจากภพที่เรียกว่าลาว และกามคุณที่เรียกว่าท่อนไม้นั้ น, น, นเสียเรากล่าวอากุศลจิตนั้นว่าเป็นจิตมีโทษกล่าวอากุศลจิตนั้นว่าเป็นจิตประทุษร้ายพระศาสดาที่บุคคลหาได้โดยยากท่านก็ได้แล้วท่านอย่ามัวมาชักชวนเราในทางชิบหายเลย 8. วชิตตเทระคถาภาษิตของพระวชิตตเทระพระวชิตระเทระ ระลึกชาติก่อนของตนได้จึงได้กล่าวสองคาถาไว้ดังนี้ว่าเราเป็นปุถุชนมืดมนอยู่เมื่อไม่เห็นอริยสัจจึงได้ท่องเที่ยววนเวียนไปมาในคติทั้งหลายตลอดกาลนานเรานั้นไม่ประมาทแล้วกําจัดกรรมกิเลส ท, ที่ได้ชื่อว่าสงสารได้แล้วเราตัดคติทั้งปวงขาดแล้วบัดนี้ไม่มีการเกิดอีก 9. สันทิตเทระคาถาภาสิตของพระสันทิตะเทระพระสันทิตะเทระเมื่อจะประกาศการบรรลุคุณวิเศษของตนจึงได้กล่าวสองคาถาไว้ดังนี้ว่าเรามิสติตั้งมั่นได้สัญญาอย่างหนึ่งซึ่งประกอบด้วยพุทธานุสติณนะโคนต้นอสัต t พฤกสว่างสวัยไปด้วยรัศมีสีเขียวงามสะพรั่งเนกับที่สเอดแต่พักกับนี้ไป เราได้ถึงความสิ้นอาสวะแล้วเพราะนำสัญญาที่เราได้ในครั้งนั้นมาปัญจมวัคจบรวมเรื่องพระเทระที่มีในวัคนี้คือ 1. พระกุมารกัสปะเทระ 2. พระธรรมปาละเทระ 3. าพระพรหมมาลีเทระ 4. พระโมคคราชาเถระ 5. พระวิสาขาปัญจาลิบุตรเทระ 6. พระจุละกะเทระ 7. พระอนุปมะเทระ 8. พระวชิตะเทระ 9. พระสันทิตะเทระผู้นำธุลีคือกิเลสออกได้ในทุกกนิบาตร、รวมคาถาได้98้าทคาถาและรวมพระเทระผู้ฉลาดในในซึ่งกล่าวคาถาไว้ได้49รูปทุกกนิบาตจบ